กูปลาทานคือกิเลสเขากินใจมากเมื่อนึกถึงตรงนี้ก็เห็นภาพหลงพ่อปานปรากฏขึ้นข้างข้างท่านบอกคุณไม่ใช่ปลาทานปเดี๋ยวพระพุทธเจ้าอมทมจะเสด็จมาอีกประมาณสักห้านาทีก็ปรากฏว่ามีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งรูปร่างใหญ่โตมากสูงมาก มาในรูปของปางนิพพานเดินมาระหว่างระหว่างช่องกลางพระพุทธเจ้าทุตตโนมมคงก้มนิสาะรงศรีความเคารพพระบรมมืออยู่แล้วพอท่านเดินมาถึงอาตา ม, มาท่านก็พูดว่าขคาจะนั่งถหตไหนวะในเมื่อไม่มีที่นั่งข้าก็หวัวแกเป็นแท่นก็แล้วกัน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 คนจะนั่งสักพันสองพันห้าพันก็ตามท่านจะดูจิตใจว่าบุคคลใดจะรับคำเทศนทางท่านได้จะสามารถบรรลุผลได้ท่านจะจี้จุดเฉพาะคนนั้นเอาจุดเด่นแต่ว่าคนที่มีความดีใกล้เคียงกันก็พลอยบรรลุผลไม่ตามตา ม, ตามกันอันนี้ก็เช่นเดียวกันอัตมาเวลาเทศท่านสอนกรรมฐาน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 เกดจึงมาคิดว่าในเมื่อท่านมีพระคุณอย่างนี้แล้วก็เห็นไม่ปกติจึงคิดจะหล่อโลกสังกงินมาวันหนึ่งจึงรัตนาเมื่อกกรกรมฐานเสร็จแล้วท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆตามความพอใจ <c oughs> <c oughs> เมื่อกลับมาทั้งที่คิดว่าสมเด็จอมภถมจริงๆรูปร่างสมัยที่เป็นมนุษย์ท่านเป็นยังไง ก็ขอรัตนาขอต้องการพบท่านท่านมาปรากฏพระองค์อินโคตรทรงสวยมากหน้าของท่านอิ่มเหมือนไข่เมืออกไข่แก้มอิ่มยิ้มเนน้อยอยอิ้มทีปากไม่บุมไม่เหมือนพระพารูปที่เขาปั้นกันพระพุรูปที่เขาปั้นกันนี่แก้มตอนตอนตอนปากบุ๋มลงไป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 เคยตัดสินใจว่าในเมื่อมีผู้ศรัทธานำนินมาให้จังตึงตันกว่าเราก็ไม่ควรใช้อย่างอื่นใช้ขัดพื้นด้วยนินแทนที่จะเป็นหินขัดหรือว่าจะเป็นเป็นหินอ่อนจะเป็นกลีนิกไม่เป็นแล้วใช้นินเป็นพื้นหรือเป็นเป็นพื้ น, น, น, นขัด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 นิพพานมีสภาพสูญเฉพาะของคนศูญจากนิพพานกรมกวาบรรดาทางพุทธวบริษัททั้งหลาย <c oughs> การหล่อโกอภมตินี้บรรดาญาติโยมพุธตับริษัทนำทองมาถวายกันมากเป็นกรณีพิเศษถ้าการหล่อโลภนี้ก็จะหล่อวันที่สิบห้ามีนาคมสองันหาร้อยสิห้า มีสมเด็จพระตั้โอษอาจารย์วสัมมญาเป็นประธานจับสายสินในการหลอ่อความจริงแล้วพ่อสเด็พระตั้โอษอาจารย์นี่บางท่านอาจจะไม่รู้บางท่านเป็นพระสูตรเหมือนกันคือสูตจากการยดึยดตัวยดึยดยดึดรานนาศัก์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 คุณพนโทสมศักดิ์สืบสงวนพนุโ ท, โทนะเคยไปกับหมอรัตดาไปหาท่านท่านจะาวัดอยูบ่บงกุติแล้วก็ทั้งสองคนก็ไปคอยเมื่อถึงเวลาไม่ลงมาท่านไม่ลงมาทั้งสองคนก็บอกว่าในเมื่อท่านจะาวัดแล้วก็กลับเถิดคนเบาๆเาท่านั้นเสียงก็แหลมเปิดประตูหน้าต่าง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 แล้วเสร็จแล้วก็ไปหาท่านท่านนั่งรอรับอยู่ท่านยังไม่เชื่งกุฏิเมื่อกราบประเณหน้าขึ้นมาทา่านบอกว่าปีหน้าจะทำอะไรก็บอกนะทำตามทุกอย่างแหละนั่นคุยกันนี่สอยสายลมถ้าท่านอยู่ทีงวัดสามัาทำไมจึงรู้ก็เป็นว่าสมเด็จพระตัโวสาจารย์นี่มีความสำคัญมาก